$87, จึงจะเห็นธรรมกายที่เห็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์นี่คือการแก้กรรมด้วยการกระทมของเราเองแก้จากอากุศลธรรมโดยทำให้เป็นกุศลธรรมที่เข้าขายโรกุศลธรรมถึงที่สุดอย่างเห็นเห็นกันทีเดียวซึ่งเป็นการทาบุญคือชํมระกิเลสปุนาติ อันคือบาปจากสัญดาณของตนได้จริงมีภาวะจริงให้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ทนโทษชานี้แลคือธรรมกายแท้ๆหรือพรหมกายที่ตรงกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ซึ่งต้องตนเองเท่านั้นที่มีการกระทําให้ตนได้คนอื่นไม่มีใครบังอาจแก้กรรมอย่างเป็นจริงเช่นนี้ให้ใครได้เด็ดขาดกว่าจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวตนของกิเลสก็มิใช่ง่ายกว่าจะใช้วิธีประหาร5่าวิกขพณะตะทางคะสมุดเฉ ท, ทะปฏิปสัสธิ นิสรณะสำเร็จถึงขั้นสุดนิสรณะปะหารก็ยากแสนยาก